พุทธสวัสดีค่ะท่าน FM 106 แล้วก็รายการนี้ ในเรื่องของพระพุทธศาสนา FM 106 แล้วเมื่อวานนี้กําลังฟังกัน นะคะมากราบทูลให้ทรงมั่นใจว่าอ่าในสิ่งที่ มานก็ๆเลยขอให้พระพุทธองค์นิพพานค่ะตอนนี้เราๆเลยเรามา นะคือพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะความเป็นแต่ไม่ 10 ชาติ 20 ชาติหรือไม่ใช่แค่เป็นร้อยชาติ 200 ชาติแต่เป็นเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันสําเร็จลงในวันนี้ค่ะแม่มันมัน เปรียบเหมือนกับว่าเอ่อกษัตริย์น่ะผู้ที่ได้รับมรดกพิเศษน่ะคือฝ่าฟันต่อสู้สงครามอะไรต่างๆมาครอบครองแผ่นดินได้จะเดินไปทางไหนก็สบายใจไม่นั้น ทีนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าอ่าทีนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าเอาเราครบธรรมละครบธรรมที่เราตรัสรู้นั่นแหละใน 2 กิโล 3 กิโลนี่แหละนะเอ่อใต้ต้นไทรนั้นก็มีพรหมมา ซึ่งเหตุการณ์ตอนที่มารมาทูลก่อนนิพพานเนี่ยเล่าให้ฟังตอนก่อนอีก 45 ปีถัดไปน่ะเพิ่งจะบอกว่าไอ้ตอน 45 ปีที่ นะว่ามารน่ะมาตอนนู้นแล้วที 3 บดีพรหมหรือมาหลัง 3 บดีพรหมนะจะก่อนหรือจะหลังเราไม่สนใจแต่เรามาฟังที่ ผ่านไปไปนะแล้วก็ตอนนั้นเอ่อความเกิดความท้อใจในการต่างๆมาทั้งหมดเนี่ยมันมันไม่เห็นมี แล้วมาเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันยากมากก็เลยจิตใจก็เลยท้อ นะมีความขวนขวายน้อยแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ไม่แสดงธรรมอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคือโดยปกติของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะคุณยําทิวค่ะเอ่อจะต้องอื่นหรือ แต่คนอื่นตรัสรู้ตามไม่ได้นะแต่สัมมาสัมปุจเฉท<ใช> ถ้าแสดงธรรมกวนขวายมากใช่ไหมก็จะบอกธรรมะโดยละเอียดมี อันนี้ก็คือคงเข้าไขลักษณะที่ว่าขวนขวายน้อยในการ น่ะก็เลยมาบอกปุโรหิตชาวน่ะบอกว่าโอ้ไม่ได้ นึกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติไม่มีคําส่องของพระเจ้าเนี่ยจะเกิดอะไรจะเชิญเทโอดงเชลดาอะไรต่างๆมามากมายพรหมต้องเดือดร้อนแน่นะ ฉันจะได้ไม่แต่ชาวโลกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะอะไรดิฉันขออนุญาตใส่ข้อ อือดังนั้นพระองค์เองก็ย่อมศรัทธาในพระนะก็เลยมี อ่ะทีนี้พอปอบพรหมอรธนานั้นบทค่ะปุรชาเอ่อสามฤดิพรหมบอก สัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระองค์โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตา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 อ่าประตูสุญนิพพานอันเป็นอมตะขอให้เปิดนะประตูสุญนิพพานอันเป็นอมตะขอให้เปิด หนีสิไปทางนั้นสิไปทางนั้นสินะตอนเนี้ยตัวเราอ่ะเหมือนอยู่ใน เมธาดีค่ะเมธาดีคือผู้ที่มีปัญญาแล้วว่าเมธาแปลว่าปัญญาถูกต้องค่ะปัญญาดีค่ะเอ่อแล้วก็ขึ้นสู่พระศาสดา นะเหมือนกับนายโคบานชาวมคตผู้มีความเชี่ยวชาญนะสามารถพาโคเหล่าฝูง สมมุติเราจมอยู่ในในทะเลเนี่ยมองไปทางหน้าหลังซ้ายขวาไม่เห็นอุ๊ยเรารีบว่ายเข้าไปหาคือทางออก นะพิจารณาก่อนนะคือที่บทเพลงชนที่พรหมพูดเนี่ยก็ อามานมานิมนต์ให้นิพพานหรือว่าพรหมมานิมนต์ให้แสดง <c oughs> ค่ะนะคะตอนฝั่งคาลเป็นส่วนหนึ่งของตอนสําคัญที่พระพุทธองค์ก้าวพ้นจากการเป็นพระโคทิสัตนะคะตรัสรู้แล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วมีเหตุการณ์อะไรบ้างสืบเนื่องมาจากเรากําลังพูดว่าการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ที่สําคัญที่สุดไม่มีพระองค์หนึ่งด้วย 3 นะๆพุทธคยา จะมีเจดีย์สําคัญอีกองค์นึงที่คนไทยก็พร้อมใจกันไปสร้างยอดเจดีย์ให้เป็นเจดีย์ที่ จะเป็นดีที่สุดในรายการสัญสนีสนทนาธิชันสัญสนีหน้าพงเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธว่าสวัสดีค่ะ